وَخَيْرُ الَّهُ ع ِ ن د َ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا أحلت لكم الأنعام إلا, إلَّا مَا ي ُ ت ل َ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ْ و ج ت ن ي برج من الأوسان. وجدني ب ق و ل زور. و ج ت ن ي ب ق و ل ل زور. <تصفيق> ح ن ف ا ء ل ِ ل َ ه و َ ر َ م ش ر ي ْ ي ن َ ي وَمَن يُشْرِك ْ بِاللَّهِ فَتَأْنَمَ فَتَأْنَمَ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْنَمَ ا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَلَكَ ط َ ي ْ ف َ أَوْ تَهْمِدْ ي فَتَخْطَفُهُ ب ي ُْ ط َ ا ه ُ ي َ أ ِْ ي أ و ه ب ِ ا ل ُِّ م َ ك َ ا س َِ ي َ أ َ و َْ ي ب ِ ه ِ ا ل ر ي ح ُ فِي مَكَانٍ س َ ح ِ ي ق َ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ف ن ه ا من تقوى القلوب. أكُم فيها م ن َ ف ِ ع ُ إلَى أَجَلِ م ُ ص َ م َّ م ُ م َّ مَحِلُّهَا إ ل ى ا ل ب ي ت ِ ا ل ع َ ت ي ق م ى م ح ل ه ا إ ل ى الْبَيْتِ ا ل ْ ع َ ت ِ ي ق و َ ل ك ل لأمة ُ جعلنا منسكا ل ي ذ ك ُ ر ض الله على ما رزقهم ليذكر ر ض لي الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام ฟาดีลาฮุคุมฟาด واحد ف าเล أسلمو ฟาเ أسلمو ب ش ر المخبتين وبشر المخبتين ัสมัล ل อ الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ال الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله و ح ه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت و ل ي ك ا ل ن, ن إ ش ر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 Rabbi, ر ับบ้างู م ุบค์มิ่งอ ن ดับมิ ا, أ ب ในนาร์ว่าดับมิ่งในข ب บรีอัลลอฮฺม์อินีอ้างูดุบค์มิ و งอัลกัซลีวัสูอิุลพี่น้องที่ร่วมนมาสุบอที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอัลล ب ح ا ن ه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ ได้มีโอกาสได้มานมาสยมดยะมะที่มัสยิดนะครับขอบคุณอัลล์ที่เราให้เราให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดอาที่เราอ่านเป็นการขอบคุณอัลลอ์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอัลฮยาณะบาดมะอามะตานะไวลัฮิมูชูรนะครับ ขอบคุณ Allah s u b า a ะที่เราได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในบ้านของ a ล l a h เปิดอัลกุรอานอ่านทบทวนอัลกุรอานวันนี้เราทบทวนกันมาทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้มาถึงสุร่าอัลหัจสุราที่ยี่สิบในอัลกุรอานมีทั้งหมดหนึ่งรยสิบสี่สุรานะครับ ได้ความรู้นะครับคนที่จดจําได้ประโยชน์เยอะอย่างน้อยก็ได้ผ่านนะครับชีวิตของเราว่าเออเราอ่านคุรานของอัลลอฮ์นะครับรู้ความหมายของไอ้าคุรานเนี่ยนะครับทําชีวิตของเรานี่ยเปลี่ยนแปลงหัวใจก็เปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มาอ่านคุรานวันนี้มาถึงอายาที่30สนะครับ อยายะที่ยี่สิบเก้านะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องการอะไรนะการทําัจจีนะครับครทิตที่แล้วเนี่ยพูดเรื่องการทําัจจีผู้ที่ประกาศเรื่องขัจีเนี่ยก็คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮุสซลามอัลลอฮ์สั่งนะครับสั่งสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งให้นบีอิบรอฮิมเนี่ย สร้างกาบาเมื่อสร้างเสร็จอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะอย่าให้สิ่งอาซาน ร, รูปเจเวทต่างๆเนี่ยให้ก้อฮิรใบีให้ทำบ้านของฉันให้สะอาดนะครับนดีอิบราฮีมก็ทำหน้าที่ต่อมาเสร็จแล้วก็อย่าทำชีริตต่ออัลลอ์เรื่องใหญ่มากครับเรื่องชีริกเนี่ย นบีเพลิก็ทำหน้าที่เหนื่อ ย, ยกับการสอนสอนให้คนเลิกทำชีริกเนี่ยกราบไหว้รูปจเจวิเนี่ยโดยเฉพาอะอย่างยิ่งคุณพ่อของท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ทำรูปจเจวิแล้วก็ขายรูปจเจวิส่วนลูกนั้นฮามดุลิลลาอัลลอฮ์ให้มานะครับพี่น้องอยู่คนลมุมของชีวิตและเรื่องที่สามเมื่อสร้างกาบาเสร็จอัลลอฮ์บอกว่ า, า, าอาซินฟินนาส อิบราฮีมเอยจงเป่าประกาศให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยได้ยินเรื่องการทำฮัจีอิบราฮีมก็ถามถามอัลลอฮ์ว่าฉันจะโฆษณายังไงใช้คนรู้ยังไงอลัลลอฮ์ก็บอกว่าท่านมีหน้าที่ประกาศกักแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเอาเสียงของท่านเนี่ยไปถึงหูประชาชนทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลา วันนี้คนทุกคนเนี่ยรู้จักมักกะทุกคนรู้เรื่องฮ a j ีแต่ก็ข่าวไม่ดีเมื่อวันเมื่อวาซืนเนี่ยเครนในระดับชั้นสา ข, ของมั ส, สยิดน่ร่วงลงมาเนี่ยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในรู้ชาติไหนบ้างนะประมาณร0อเจ็ดคนอินนาลิลล่ะอินาอนาอีลล์ลรอจุอาหนะครับขอขอดุอานะครับให้ทุกคนนั้นได้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และุาะล เอาวันนี้เรามาอ่านคุรานอายาที่สามสิบนะครับ The لَقَوَامِ ي ع ظ ِّ م ُ حُرْمَةَ اللَّهِ ف َ ه ุ و ล خَيْرُ الَّهُ وَعَنْدَ ر َ ب ِّ ه و أ ح ل ت ل ك م ا ل أ ن ع ا م إ ل ا م ا ي ل ع ل ي ك م فجتني برجس من الأوثان، و ج د ن بقول الزور، قول الزور. ذلك وما يعظم حرمات الله، فهو خير له عند ربه. وأحلت ِ لكم َُ الأنعام ََْْ إلَّا ِ ما َ يُتلى َْ عَلَيْكُمْ فَجَتَنِي ب ُ ر ِّ ج ْ س ً مِنَ الأوثان ََِْْ وَجَتَنِي ب ُ ق َ و ْ ل َ ا ل ز ُّ و ر ِ اللَّهُ أَكْبَر มาดูคําแปลนะเราทำอะไรเรื่องอันนี้อาญาณนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยเรื่องที่หนึ่งญาลิกะคือที่แรกเนี่ยที่ผ่านมาพูดเรื่องการทําพยาดระหว่างทํำพยีเนี่ยห้ามนูน่นห้ามนี้ห้ามเยอะมากประมาณประมาณเจ็ดแปดรายการระหว่างทํำพยีเนี่ยห้ามนะอะไรบ้างเช่นห้ามทําบาปห้ามทะเลาะกัน ห้ามจีบผู้หญิงหรือห้ามจีบผู้ชายห้ามนิกะห้ามอยู่กับภรรยาจัดให้อื่นคนอื่นนิกะตัวเองก็ไม่นิกะห้ามล้าสัตว์ห้ามอะไรนะใส่เสื้อผ้าที่มีตะเข็บโอ้ห้ามหลายรายการทีนี้พอห้ามแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอ์ทั้งหมดนั่นแหละ เจดีเมื่อห้ามแล้วเสร็จแล้วอรลัยก็ชมคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอรลอยว่าราลิกะเช่นนั้นแหละการประกอบพธิธีฮัจทิมครมาการให้ทำแบบนี้แหละอาราลิกะต้องการจะบอกว่าการคล้องผ้าเยรอมให้ใช้กี่ผ้ากี่ชุดนะสองชุดนุ่งผืนหนึ่งแล้วก็ห่มผืนนึงสาหรับผู้ชายนะครับแล้วก็เหมือนกันหมดเลยอ่ะใหไหม เนี่ยการปฏิบัติแบบนี้แหละราลิกะแปลว่าอะไรนะเช่นนั้นแหละมานถึงว่าการประกอบพิธีฮัติมักาเนี่ยให้ทำแบบนี้แหละทีนี้ไอ้ทำแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงอลัลลอฮชมต่อวาไมายวาซิมผู้ใดที่เคารพให้เกียรติอัลลอมายวาซิมให้ความสำคัญหรือให้เกียรติ โดยการปฏิบัติตามกฎต่างๆที่อัลลอฮ์วางไว้ใครที่นําเอาหลักการที่อัลลอฮ์วางไว้ทั้งหมดมาใช้ขณะที่เขาทําคัดอยู่นะหนึ่งไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจมันก็อยากจะทำนะนะแต่พวกคล้องเอแรอมปั๊บนี่เลิกหมดเลยไม่ทะลาะ ก, กันไม่ด่ากันไม่นูน่นไม่นี้ไม่จีบผู้หญิงไม่ตัดเล็บไม่ตัดผมระหว่างค้องเอแรอมอยู่เนี่ยใช่ไหมนบี ก็ทำหน้าที่อธิบายความให้อุมมาของนบีรับทราบอัลลอฮ์ก็ชมบอกว่าคนที่ทำฮียีต้องทำตัวแบบนี้แหละไอค้คคนที่ทำตัวแบบนี้ตามคำสั่งอัลล์เนี่ยอัลลอ์บอกว่าวามายูอัซิมผู้ใดเคารพหรือปฏิบัติตามนะครับกฎเกณฑ์ต้องห้ามทั้งหลายของอัลลอห์ฮุรมาติละ กฎเกณฑ์ที่อัลลอ์ห้ามระหว่างทำฮายีมีอะไรบ้างเนี่ยใครที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอ์เนี่ยเป็นยังไงมาดูรางวัลฟาหัวคอยรุลละอัลลอฮุอะกบบัดตลอดทางผิดการทำฮายีกี่วันทั้งหมดฮะยีเนี่ยทํากี่วันนะอ่าประมาณเจ็ดวันห้าวันแก่นั้นแหะพี่น้องก็ อ, อึดอัดเหมือนกันนะหวันเนี่ยอัลลอฮุอะกบั ทีนี้ไอ้ห้าหวันรวมไปถึงเชื่อกบุบบุบบูรบานอะไรอะไรเสร็จสาบเนี่ยนะไอ้พิธีกรรมพายีต่างๆนี่นะใครที่ปฏิบัติครบบริบูรณ์เนี่ยฟ้าหัวค่อยรุนละหูแปลว่าไรนะดังนั้นมันเป็นการดีไอ้คาว่าดีเนี่ยอธิบายจะเยอะหนึ่งเป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺเป็นความดีอัลลอฮฺพอใจอัลลอฮฺจะประทานโน่นประทานนี้ให้กับคนที่ทําพายี ด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่รับอันธรรพ์บทหนึ่งก็คือว่าใครที่ไปประกอบพิธีฮัจจเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนบีบอกไว้นะเขาจะกลับมาบ้านของเขาเหมือนกับเด็กที่คลอดออกมาจากทองมารดาสแสดงว่าสะอาดบริสุทธิ์เลยแต่ต้องทําด้วยตามสุนาัข น, นาบีด้วยนะถูกต้องตามหลักการใจก็ต้องสะอาดไม่ทะเลาะกันอะไรกัน ลอขึ้นเลียบกดทะเลาะมันก็มีกันนะมันต้องระวังตัวให้หมดเลยนะต้องต้องระวังอัลลอฮ์ว่ากว่าฉะนั้นคนที่รักษากฎเกณฑ์ระวังที่ตัวเองคลองชุดเอฮรอมแล้วก็กฏต่างๆที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ปฏิบัติมีกี่ข้อทุกคนรู้พระแทบมัสอนอยู่แล้วสอนสอนสอนเมื่อทําพะยีเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าใครที่รักษาที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้องห้ามทั้งหลายของอัลลอฮ์ Allah นั่นมันเป็นการอะไรนะฟะฮูวะคอยรุลละมันเป็นการดีสแก่กเขาอัลลอ์นี่พูดตัวใครตัวมันเลยนะฟะฮูวะคอยรุลละละหูสำหรับคนคนนะั้นอ่ะมันเป็นการดีสำหรับเขาและความดีนี่อยู่ที่ไหนครับอินดารอบีอยู่ที่พระผู้อภิบาลของเขา <Allah. S 2> เนนอัลลอฮ์ไปน้อความดีที่ ฝากไว้กอัลลอ์เนี่ยถามว่าหมดอายุหรือไม่หมดอายุไม่มีคำว่าหมดอายุน ะ, ะความดีที่ท่านพี่ น, น้องทำเนี่ยไม่หมดอายุแต่ความดีที่ท่านพี่น้องทำไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะหมดอายุครับหมดอายุจะท่านอะไรก็ทำที่ท่านพี่ น, น้องทำเป็นความดีนะถ้ามาจะทำเพื่ออัลลอฮ์มันมีวันหมดอายุแต่ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีวันหมดอายุ รวมไปถึงผู้หญิงเนี่ยนี่ผู้พูดพูดนอกนอกเรื่องเลยถึงนะผู้หญิงที่คลอดคลอดลูกตอนเขาเรียกว่าแท่งลูก Asset นะตัวแปลว่าแท่งลูกเนี่ยบางคนก็โยนได้แต่เจ็ดเดือนมีหกเดือนมีห้าเดือนมีใช่ไหมแท่งลูกเนี่ยพอแท่งมาก็เสียใจเนี่ยลูกผู้ชายด้วยแอบบางคนกับลูกผู้หญิงด้วยพอแท่งลูกเนี่ยไปน้องพ่อแม่ก็เสียใจน บ, บีบอกว่าไงรู้ไหม ลูกของเขาเนี่ยจะยืนรอแม่อยู่ที่ปากประตูสวรรค์แล้วก็จะพาแม่เนี่ยเข้าสวรรค์โดยเอารกหรือเอาสะดือเนี่ยของลูกเนี่ยที่คลอดออกมาเนี่ยพาแม่เข้าสวรรค์แต่มีเงื่อนไขแม่ต้องคิดถึงอัลลอฮ์ตอนที่คลอดตอนที่แทงดีนะถ้าใจไปนึกถึงอย่างอื่นมาได้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็ไม่มีรางวัลเหมือนกันนะ อันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องคนที่ทำบะยีบางคนทำบะยีนบีพูดการทาบะยีมีอยู่สามแบบอ่ะหนึ่งคนรวยไปเพื่อจะแข่งกันว่าคุณไปกี่ครั้งคุณรวยฉันไปเนี่ยสิบห้าครั้งแล้วคุณล่ะผมสิบแปดกลับมาก็คุยกันอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นอีกอี ก, อ, ก, อ, ก, อ, กอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองเนี่ยไปเพื่อค้าขาย มุ่งธุรกิจอย่างเดียวเลยครับขายนี้ขา ย, ขา ย, ขา ย, ขายนะนี่นบีพูดเองน่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนี่ไปใกล้เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสามประเภทนี้เนี่ยอัลลอฮ์รับกลุ่มไหนอัลลอฮ์รับคนไปที่ไปเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอัลาไปเพื่อที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปเพื่อที่จะปฏิบัติตามคําสั่งอัลลอฮ์พี่น้องสามกลุ่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์รับคนกลุ่มไหนกลุ่มที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจสะอาด อายานี้เน้นว่าไงนะคนที่ไปประกอบพิธีฮัจ์แล้วก็รักษากฎเกณฑ์ต่างๆกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทำอ่ะหนึ่งสองสามสี่นะครับฟ้าหูวะคอยรุลละหูนะครับมันเป็นการดีสำหรับเขาอินดาร บ, บิฮีความดีอันนี้อยู่ที่พระผู้อาิบาลของเขา พอตายพับนี่นะอัลลอฮ์ได้ทางวันตอบแทนจากอัลลอฮ์ฟืน้นขึ้นมาในโลกใน ว, วันเตียมากอัลลอฮ์เป็นน่องครับแตหาท่านเป็น้องครองชุดเอฮารอมอยู่ในเป็น้องแล้วก็เสียชีวิตในชุดอฮารอมเนี่นะอัลลอฮ์จะให้เขาฟืน้นขึ้นมาในชุดเอฮารอมทั้งดุลิละเพราะฉะนั้นไปทําหจญ์เนี่ยมันต้องสะอาดจริงๆต้องพยายามพัฒนาตัวเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะอัลลอฮ์พูดในะปีกูอ่านนะ ฟะฮูวะคอยรุลหูแท้จริงการทำาะจีเนี่ยนะความดีของเขาได้รับความดีเขาได้ความดีเป็นการตอบแทนและความดีนะอยู่ที่ไหนครับอินดารอบบิอยู่ที่พระผู้อธภิบาลของเขาสบายไหมอัลฮามดุลิละความดีอยู่ที่อัลลอฮฺอัลล์ตอบแทนจ้ากี่น้อถ้าทำเพื่อมนุษย์อัลลอ์รับไหมอัลลอ์ไม่รับครับ อาล้อมบอกว่าเอ้าไปขอจากคนเถอเอ็งเนียถึงใครอะ่ะฉะนั้นเนีย่ยถึงมนุษย์ก็ไปขอจากมนุษย์ถ้าเนียเพื่อฉันก็ขอจากฉันฉันจะจัดการให้นะครับต่อมาครับว่าอ้ให้ละสละกุมมูลอนามอ้ให้ละนี่แปลว่าเป็นที่อนุมัติละกุมแก่ ท่านทั้งหลายอันอัลอามอันอาอมแปลว่าสัตว์หรือปสัสสตว์นี่พูดถึงกุฎบานอีกแล้วอ่าพอหายีกับกุฎบานของคู่กันทีนี้สัตว์จะมีอยู่อะไรบ้างอ่ะหนึ่งแพะสองแกะสามวัวอูดตะควายไม่มีแต่อัลมาเขาก็อาจยสนะเปรียบเทียบว่าควายก็ใช้ได้เพราะในอินเดียเนื่อวัวมีปัญหาเลย ชั้นชื่อสนามโรงเรียนนัดว่ามาอะไรานัดว่าเนี่ยมีควายเป็นร้อยๆตัวเลยเต็มเลยแต่ที่แอบเชื้อดวัวก็มี <c oughs> จากนั้นสัตว์อาณาจักรนี่นะสัตว์นะครับสัตว์สีเท้านี่นะอัลลอฮ์เตรียมไว้เป็นที่อนุมัติสาหรับท่านท่านต่งางๆตัวรองว่าการทำพายีนะครับรางวัลมีไหมมีอยู่ที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุ์า์ะเรื่องที่สองสัตว์ เป็นที่อนุมัติสาหรับท่านทั้งหลายนะครับให้เอาเชือดเอามาทํากุรบาลได้นะครับเชือดเอามากินได้นะพี่น้องเนี่ยพี่น้องชาวพุทธเนี่ยไม่สบายใจนะว่าเจอกุรานรายะ น, นี้แล้วใช่ไหมเป็นที่อนุมัติที่จะเอาสัตว์เนี่ยเอามาเชือดได้ตอนนี้พี่น้องชาวพุทธที่ถูกอบรมถูกสอนว่าห้ามฆ่าเลยนะห้ามฆ่าสัตว์ ท่าที่เราเข้าใจนะไอ้ขาสาว์มาถึงค่าและทิ้งอ่ะแต่ว่าค่าเราเอามาเป็นกินเป็นอาหารเนี่ยอัลลอฮ์พอใจอยู่แล้วแต่ค่าทิ้งเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจนะครับต่อมาครับอิลลามยุสลอาดากุมนอกจากหรือเว้นแต่สัตว์บางประเภทที่อัลลอฮ์ได้ อธิบายเอาไว้หมายความว่าสัตว์บางประเภทที่ไม่อนุญาตให้เอาม้าเชือดได้เอามาบริโภคเอามากินมีอะไรบ้างในสุรมาอิดาเนี่ยมีประมาณเจชนิดหนึ่งสัตว์ที่ตายเองห้ามเอามากิน 2. สัตว์ที่ถูกถูกตีตายห้ามเอามากิน 3. เนื้อสุกรห้าม 4. สัตว์ที่ถูกเชื่อดเอ่ยเอ่ยน้ำอื่นจากน้ำของอัลลอฮ์ก็เป็นที่ต้องห้ามข้อสสัตว์ที่ถูกรัดคอตายห้าม6สัตว์ที่ถูกตีตายห้ามสัตว์ที่ตกลงมาจากที่สูงตายก็ห้ามแล้วก็สัตว์ที่ถูกขิดตายก็ห้ามสัตว์ที่ เสือหรืออะไรก็าตามไปล่าเอามาเราจะไปขอจากมันแบ่งกุ้น้อยก็ไม่ได้เนี่ยประมาณเจ็ดแปดประเภทนี่อัลลอฮ์ห้ามในคัมภีร์อุลแอนคือไม่อ่านนุมัติสัตว์ที่ Allah อัลลอฮ์อนุมัติในคัภร์อุลแนก็มีอยู่แล้วที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้บริโภคก็มีอยู่ในรรคัมภีร์อุลแอนกูแล้วไอที่ห้ามไม่ให้บริโภคมากเจ็ดแปดรายการเนี่ยนะครับห้ามและอีกพลาดหนึ่งก็คือเชื่อดนะครับเพื่ออะไรนะเอ่อ อามา บ, บูชาอามา บ, บูชาบนแท่นหินต่างๆนี่นะครับอามาอะไรนะอามา บ, บูชาห้ามกินหมดเลยประมาณเจ็ดปประเภทที่อัลลอฮ์ห้ามทำโดล้วนี่อิสลามความสมบูรณ์ของอิสลามอัลลอฮ์ Allah บัดแม้แต่อาหารการกินเน้นเรื่องอาหารการกินเนี่ยเพราะอะไรเพราะอาหารนี่มันเข้าไปเป็นเลือดเป็นเนื้อถ้าหากว่าเลือดเนื้อของเราเนะที่ทานอาหารฮารอมเข้าไปนะ มันไม่ถึงอัลลุบฮานฮาลาวิญญาณเนี่ยสับสนวิญญาณสกกระปรนะครับวิญญาณอึดอัดมากเลยนะครับนเอาต่อมาครับฟะะานีบูริจสท่านทั้งหลายจงออกหา่างเรื่องอะไรครับเรื่องสกกระปรอริจแป่ว่าโสมมหรือสกระปร จากเรื่องอะไรครับมีนั่นอาอซานอัลลอฮฺอัสอาซานแปลว่ารูปเจเวด ร, รูปเจเวดฉะนั้นจงออกห่างการบูชารูปเจเวเพราะรูปเจเวทนั้นเป็นรทธิ์จะสูเป็นสิ่งสกปรกเป็นสิ่งโสมุม่งคุรานอธิบายไปหมดเลยที่นอทั้งหลายฉะนั้นคําว่าออาอซานกับกับกับสอนำคนที่เรียนภาษาอับอ ตอนึกเอาซานแล้ ว, ว่ารูปปั้นเป็นรูปเวีตสอนำแปล ว, ว่ารูปรูปปั้นสองอย่างนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันจะอธิบายแตกต่างกันเรืหนึ่งถ้าเอาซานเนี่ยทำมาจากหินเอาซานเนี่ยทำมาจากหินก็อหินขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่ถ้าสอนำเนี่ยรูปปั้นเนี่ยทำมาจากไม้ทำมาจากทองทำมาจากเงิน บางทีทำจากอินทผ า, าล้ำใช่ไหมเป็นอินพาล้ำเนะ่ยแล้วก็กินด้วยได้ด้วยว่าด้วยกินด้ว ย, วยนั่นเรียกว่าซอหนารูปเจ้าเวตเหมือนกันแต่ ถ, ถ้าทํามาจากอิฐจากหินจากปูเรียกอะไรนะวัสานหรืออาลสานอัลลอฮ์ฮะอัสนามนะั่นเยะมากเระมันเป็นพระคูพจน์นะซอนามุนซอนา ม, ามันอัสนามแปลว่ารูปเจ้าเวตทลากหลายอัลลอฮ์ข้ออันนี้มันสมบูรณ์จริงๆเลยนะ อาสานหมายถึงรูปเจเวทที่ทำมาจากอิฐหินปูนถ้าสนามอสนาเนี่ยรูปเจเวทที่ทำมาจากเงินทองไม้แล้วก็อินทรพลัมอะไรก็ตามลงเหล็กอะไรพวกนี้นะเป็นเป็นอสนามห้ามทั้งคู่ฉะนั้นอลัลลอฮสั่งว่าไงนะฟรัจตานิบุริจสามานนั้นอวสานทั้งทั้งหลายจง หลีกห่างจึงออกห่างการบูชารูปเจเวบเพราะรูปเจเวตนั่นเป็นรทธิ์ยศุนเป็นสิ่งสกรปรกเป็นสิ่งโสมมเราต่อมาครับวัจจานิบูและจงออกห่างอีกอลัลลอฮ์เน้นนะกาลาจูถ้อยคําที่เป็นเท็จอัลลอฮ์อย่าพูดโกหกอย่าพูดโกหกอัลลอฮ์พี่น้องพยายามออกห่าง จากเรื่องอะไรนักการกล่าวเท็จแล้วก็ให้ออกห่างจากการบูชารูปเจเวททุกชนิดอัลลอฮฺห้ามบัดฉะนั้นในบ้านมุสลิมในคอมุสลิมเนี่ยต้องไม่มีรูปเจเวทแต่บางคนมีผ้ากะบะ็ะเหมือนกันนะอลัลลอห้ามทั้งหมดนะฉะนั้นต้องไม่มีอะไรเลยที่ร่างของมนุษย์ สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีนั่นไม่มีนี้ไม่มีอัสมัตไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในร่างของเราเพราะเรามอกไปกับอัลลอฮ์องเดียวหมดแล้วอาทีนี้ของที่อัลลอฮ์ห้ามานอกจากการหลังจากทำพายีจบแล้วมีอีกเยอะแยะไปหมดอนะ่ะมีประมาณร้อยสี่สิบรายการในระหว่างทําพายีเนี่ยมีมาเยอะประมาณเจ็ดแปดรายการอ่ะ แต่เมื่อกลับมาอยู่บ้านแล้วเนะี่ยมีมีอะไรบ้างอ่ะผมจะนำเสนอสักสิบข้อนะระหว่างทำธุรกิจก็อยู่ตามตา ม, ตามตลาดนะวันนี้หนึ่งเรียก mm hmm. ว่าอัลกบับิยอัลลอทตตี่ตลาคตบิลมุอามาลับาปที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมนะหนึ่งดอกเบีย้ยออกห่างออกให้ห่างที่สุดเลยทั้งให้ทั้งรับนะนะแต่ส่วนใหญ่พวกเราใ ห, ให้รับไม่่อยมีนะ มีแต่ให้ให้ก็บาปนะอ่าข้อที่สองริชวะรับสินบนแล้วก็จ่ายสินบนอัลลอฮฺอักบัดเอาข้อที่สามเก็บภาษีค่าคุ้มครองผิดให้รัฐบาลเก็บอย่างเดียวชาวบ้านไม่มีสิทธิไปเก็บประสมภาษีนะต่อมาข้อที่สี่พี่น้อง ต้องจ่ายค่าแรงงา น, างงานค่าแรงงานเนี่ยคนทํางานต้องให้ค่าแรงงานเขาแล้นักธนบีพูดว่าไงรู้ไหมการที่ไม่จ่ายค่าแรงงานเนี่ยเป็นบาปใหญ่แต่นบีพูดอีกว่าให้จ่ายค่าแรงงานเนี่ยวันต่อวันอัลลอฮ์ก่อนที่อะไรนะเงื้อจะแห้งทำไมพูดนบีพูดอย่างนี้เนะี่ยเพราะนบีรู้ใจคนจนเขารู้ใจคนจนฉะนั้นมานวดเงินเดือนไม่มีปัญหา มนุษย์เหมือนเดือนไม่มีแผลแต่มนุษย์จะหาชาวกินข้ามนะมีไหมมีมนบีปเป็นห่วงคนจนๆประเภทนี้อัลลอฮ์ก็เป็นห่วงเลยสั่งว่าพยายามนะให้เงินของเขาตรงเวลาอลละไรครับอต่อมาข้อที่ข้อที่ห้าไปเอาสิทธิ์คนอื่นไปแย่งสิทธิ์คนอื่นมาเอามาไว้ที่เราเนี่ยสิทธิ์ของคนอื่นแต่เราไปดึงกัาเราเส้นมือยาวกว่าอะไรกว่าอย่าทําอลัลลอฮ์อิสลามสอนดีมากครับ ข้อที่หกเวลาช่างเวลาตวงเนี่ยอย่าทำให้มันบกพร่องสมัยก่อนเนี่ยพวกเราทำนานกันใช่ไหมล่ะเอาล่ะบาบัดเวลาตวงข้าวเนี่ยผมยืนเห็นเลยนะใครที่มือเบาๆเวลาตวงข้าวเราขาดเยอะๆนะคนนั่นจะมีงานทำทุกวันเพราะเขามองว่ามือเบาเวลาเทข้าวโอ้โหเวลาปาดแล้วมันยุบไปหน่อยเน้น มันไม่เต็มแต่คนนี้นะเก่งมากเลยให้ไม่เต็มถือเป็นความดีน่านบา่าดอยแรงเลยนะอัสเตาสูรุลลอนนะครับพี่น้องอต่อมาข้อที่หข้อที่เจพี่น้องการกักตุนสินค้าอิสลามก็ห้ามเรียกว่าอียติกาอียาติการการกักตุนสินค้าเป็นที่ห้ามนะครับต่อมาข้อที่8ดพี่น้องการสแสวงหาลิสกีในทางที่ฮาลอมเช่นเนี่ยขายอะไรนะขายยาบ้า เป็นที่ฮารอมพี่น้องอย่าไปทํานะครับต่อมาข้อที่แปดข้อที่เก้าพี่น้องค้าขายสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมาสินค้าที่อัลลอฮ์ห้ามนะพี่น้องอย่าไปขายนะครับต่อมาข้อที่เก้าพี่น้องกินเงินเด็กกำพร้อาอัลลอฮ์พี่น้อ ง, ขงเขาฝากเงินเด็กกำพร้าไว้เนี่ยชัดดาบเก้าวบาปหนักครับพี่น้องแล้วต่อมาครับ เทารมาอัลมาอัลมินะเอซีไม่ไม่ให้มรดกผู้หญิงชอบทะเลาะ ก, กันเรื่องมรดกทะเลาะ ก, กันในในสมัยโอ้สมัยนบียังมีชีวิตอยู่กับเรื่องมรดกนี่ก็ทะเลาะ ก, กันไม่จบนะทุสมัยนี้ทะเลาะ ก, กันไม่จบอ่ะมีอยู่เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งอย่าพูดว่าใครนะมาหาผมมานั่งให้ฟังบอกว่าพ่อตายพ่อมีเงินไว้เยอะไปหาแม่ แม่บอกให้ให้แบ่งตามแม่ไปหาลูกพี่ชายพี่ชายว่าให้แบ่งตามพ่อแล้วไปหาอีกคนนึงให้แบ่งตามอัลลอฮฺละลาซูลเห็นไหมสามคนนี้แบ่งเหมือนกันไหมอีกคนหนึ่งให้แบ่งตามแม่อีกคนนึงให้แบ่งตามพ่ออีกคนหนึงให้แบ่งตามอัลลอฮฺละลาซูลไอคนที่แบ่งตามอัลลอฮฺละลซูลเองออกไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปนั่งห่างๆเลย ฉะนั้นการแบ่งมาดดแบบนี้เป็นปัญหาก็ทะเลาะกันต่อไปนะครับฉะนั้นถ้าแบ่งตามบอลล็อและละสูตจบนะครับเอาไปลองทั้งหมดนี่ประมาณสิบกว่ารายการนี่ไปลองต้องการอธิบายให้พี่น้องฟังว่าระหว่างทำฮายีอัลลอฮ์สั่งยาธรรมของที่อัลลอฮ์ห้ามมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดจากหายีแล้วกลับมาอยู่บ้านธรรมดานี้ของที่อัลลอฮ์สั่งห้ามไม่ให้ทําม่ไดรักษาด้วย ไม่ใช่สักสารตอนทำทภาจีอย่างเดียวนะพอกลับมาถึงบ้านเราทุกอย่างเลยและอีกอย่างหนึ่งนะที่ท่านเป็น้องกล่าวตอนภาจีนะักกล่าวว่าไงนะละไบกะลอฮุมมะลบแปลดีนะอลัลลอฮจะฉันมาตามคำเรียกร้องทิศนบีอิบรฮิมประกาศว่าฉันมาแล้วนะอยู่มักกาแล้วนะละชรีกะลักษจะไม่ตั้งพาคีใดๆกับพระองค์พูดดีไห พูดต่างเจปวันนะ um เราไปกลรอหุมมาละใบพอกลับมาถึงบ้านอัลลอฮฺอักบัมีชีวิตแล้วขับรถแย่ไปหาตัวตะเกียแล้วก็มื่อเมื่อหเดือนที่แล้วลนะ um um ราไปก็ลอหุมมาละบก็ละใบก็ละชารีก็ละก็ละใบพอกลับมาถึงบ้านทำบาปทำชีวิตนี่งาพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮเนี่ยมองคนว่าทำฮ ا د ีของเขาห ا ีมาบรูด ก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วนิสัยต้องเปลี่ยนดีกว่าเดิมเปลี่ยนดีกว่าเกา่าเช่นนามาศามาสุราบมากขึ้นอ่านกุรอานมากขึ้นให้อภัยคนมากขึ้นห่างจากความชั่วมากขึ้นะแะเจว่าฮ ادي ของเขานั้นเป็นฮ ادي ที่อัลลอฮ์ทรงพอใจนะครับเอาต่อมาครับอายาที่สามสิเ็ พูนฟ้าลิละไรุสลิมนบีว่าไม่ยุศบิลละฟะกะอันนมาขรร์ ا ินอัลสัมมาฟะตัชฟฟูฮุตไ أو ت ه و ي به الريح في مكان صحيح حنفا ل ل ه غير مشركين به و م ن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختافهut ไปรอเอาตะ้วดิบิริพ์ใน م ك ا นินสหียอัลลอฮฺอักบัรนี่อายานี่คุณน้องนะผมว่าเขียนแปะไว้หน้าบ้านเลย <ت ص في ق> เขียนแปะในห้องนอนเลยพี่น้องเขียนตัวโตๆนะพร้อมความหมายเอาดูครับทูนาฟะอัลลาฮฺนี่แปลว่าอะไรพี่น้อง ผู้ที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างเที่ยงธรรมคนที่อยู่กับอัลลอฮ์นายพี่น้องคนที่ศึกษาศาสนาอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องหัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยที่ฮุนัฟจะนั้นเป็นผู้ที่ยึดมั่นอย่างเที่ยงธรรมเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่าไงนะคนที่ศึกษาวิชาเตาหิดคนที่เรียนเรื่องเตาหิด ศึกษาเรื่องเตาให้เรื่องอัลลอฮ์องเดียวฉะนั้นหนึ่งเรียนเรื่องอะไรนะถ้ารู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอ์ในสิ่งสาประการนะหนึ่งอัลลอบบ์เป็นอะไรรอบบุญเป็นไรเป็นผู้อภิบาลดูแลเนี่ยสร้างก่อนพอสร้างเสร็จแล้วนะอัลลอ์ก็ บ, บริหารดูแลจัดการอีกนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองอัลลอ์เป็นอีลาอัลลอ์เป็นพระเจ้า เรื่องที่หนึ่งอลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างดูแลด้วยสร้างด้วยจักรวาลทั้งหมดนี่นะมีอะไรบ้างที่อลัลลอ์รับผิดชอบนะ่ะหนึ่งแผ่นดินสองชั้นฟ้าสามดวงอาทิตย์สี่ดวงจันทร์ห้ากลางวันหกกลางคืนเจ็ดสร้างมนุษย์แปดสร้างสัตว์สร้างใหญ่หญเลยแปดแปดรายการนี่อลัลลอ์สร้างแล้วอลัลลอ์รับผิดชอบดูแลเขาเรียกว่ารอบบุ และต่อมาเรื่องที่สองอัลลอฮ์เป็นอิลาัฮุนที่เรากล่าวว่าลาอิลลัฮออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าอย่าไปก้มกราบสิ่งอื่นใดนอกจา ก, กาอัลลอฮ์กราบดวงอาทิตย์ได้ไหมกราบดวงจันร์ได้ไหมไม่ได้กราบคนด้วยกันได้ไหมไม่ได้เพราะสิ่งถูกสร้างกราบต้นไม้ได้ไหมไม่ได้กราบภูเขาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นให้กราบอัลลอฮ์องเดียวเรียกว่าอิลลั เรื่องที่สามคุณัตของอัลลอฮ์มีทั้งหมดเท่าไร99พระนามแล้วก็นบีพูดไปว่าใครที่ท่องจําุณสมบัตของอัลลอฮ์ทั้งหมด99พระนามเนี่นะเข้าวสวรรค์เลยทั้งว่าเข้าท่องจำํำไปเอย่าอยยังไม่ได้นะ่ะอัลเที่เบอร์เนี่ยจำหมดเลยนะ่ะแต่ว่าเอา อ, โอโลัลลอฮ์อเส็จละอิลลัฮิลลัฮฺวะลัฮุลกอยอยุม ล, ละจะบอกเนี่ย สิทธิ์อัลลอ์ทั้งหมด99พระพนามอ่ะถ้าเราเข้าใจสิฟอัลลอ์เกาสิบเก้พนามเข้าใจเรื่องอัลลอ์เป็นอีละเข้าใจเรื่องอัลลอ์เป็นรอบนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เรียกว่าฮูนาฟอาอัลิลลาห์ถ้าเข้าใจเรื่องนี้สามรายการเนี่ยอัลลอ์ชมว่าไงนะฮูนาฟอาอัลิลลาห์เป็นผู้ที่ยึดมั่นนะครับอย่างเที่ยงธรรมเพื่ออัลลอฮ์รอไปสวรรค์ได้เลยครับ อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ชมคนที่เรียนอัลลอฮ์ชมคนที่เรียนเรื่องสิทัตอัลลอฮ์เข้าใจเรื่องอัลล์ยืนหยัดในอัลลอ์องเดียวพี่น้องอย่าไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์อัลล์ชมว่าไงนะฮ <an> ุนาฟอาลิล <t> ล <une> เป็นผู้ที่ยึดมั่นอย่างแท้จริงเพื่ออัลลอ์ุบฮานววาบูานาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองรอยรอมุชริกีนบี ไม่ตั้งพากีใดๆต่อพระองค์ให้มาเนียเน้นนะอย่าตั้งพากีใดๆกับพระองค์อย่ามีอะไรนะอย่ามีตะกุดอย่ามีต๊ะตะเกียร์อย่ามีตะระยองไม่มีจิงโจกไม่มีผ้าเขียวผ้าแดงทิ้งให้หมดมอบยอมจำนวนตนต่ออัลลอ์โดยสิ้นเชิงกันหามดลิลละนั้นบางคนเนี่ยบ้านมุสลิมยังมีต้นมายมกับต้นขนุนอยู่นะ ไปบ้านหลังเนึนคถามนี่สวยแล้วเกจอมาโยมข้มาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะมีอะไรอ่ะขนุนเนี่ยนะมันทําให้สนับสนุนให้มันเจริญมายอมมีคนมานโยมชมชอบเห็นไหมคนที่เชื่อแบบนี้นี่เฉลีกแล้วแต่ท่านฮุนาฟาอาลิลละหัวใจของเขาต้องยึดมั่นต่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงร้อยรัมุชริกรีนะบิฮี โดยไม่ตั้งพาคีใดๆต่อพระองค์อะมาดูคนตั้งพาคีโทษยังไงว่ามันอยู่ชิริกบิลและผู้ใดตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์ชิริกนี่บาปใหญ่มากนะไม่มีอะไรที่จะบาปใหญ่เท่ากับบาปทาชิริกต่ออัลลอฮ์คนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์เปรียบเหมือนอะไรครับฝากะอันนามา เหมือนกับเรืออุปมาเหมือนกับคอ ร, รอดเขาตกลงมามีนั ส, สมาตกลงมาจากท้องฟ้ า, อ, าอัลลอเห็นยังครับนี่อลัลลอเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกับคนที่ตกลงมาจากชั้นฟ้าพอร่วงลงมาใช่ไหมแล้วเป็นไงครับฟาตั ต่อฟูหูอับตยรแล้วก็นกอับตอยรูแปลว่านกเบิรดนกทําไงครับตอกต่ตฟูเฉียวมันไปพอตกลงมานกบินมาเฉียวนั่นเปรียบเทียบกับคนที่ทําชีริกต่ออัลลอฮฺเห็นไหมพี่น้องทําไมอัลลอฮฺเปรียบเทียบอย่างนี้เน่ะต้องใช้ปัญญาเหมือนกันอีออัลลอฮฺเปรียบเทียบทําไม คนทาําชีด็กต่ออัลลอฮ์เนี่ยสรุปง่า walker, ยๆ ก, ก็คือว่าย่างกระฝนเนี่ยอะไรเนี่ยเขาจัดอะไรนะผลฝนเทียมใช่ไหมฝนเทียมฝนเทียมฝนเทียมเอาฝนเทียมใส่เครื่องบินเลยว่าต้องการใช้ให้ตกที่ไหนที่ราชบ <you. S 1> <rooms. S 2> ุรีแต่ GO, มันไปตกที่ไหนไปที่นู่นนะตราดนะเรียว่าเป่าม้เพชจใช่ไหมเป่าไม้เพชร ประโยชน์ม่มากไม่มีเลยท่านต้องการจะอธิบายว่าคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาคนนั้นพลาดเป้าหมายของชีวิตอันไร้ายแรงเลยพลาดเป้าหมายอันร้ายแรงนะคือจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มานะ่ะให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ก่อนที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ให้อยู่บนโลกกุญยาไปนี้ก่อนเนี่ย อยู่บ น, นโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะดูว่าพฤติกรรมของคนนี้เป็นยังไงระหว่างที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ไม่มีโอกาสได้ฮุนาฟาอาลิลลาเลยไม่มีโอกาสได้ผูกพันกับอัลลอฮ์เลยทำใจชิริกชีริกชีริกชีริกชีริกชีริกชีริ ก, รกผลจากการทำชีริกนั้นเหมือนกับท่านเนี่ยตกลงมาจากที่สูงๆบนชั้นฟ้าพอตกมานึกว่าจะถึงพื้นดิน ตามที่ต้องการจะตกแต่ก็อยากตกมาเนี่ยเสร็จแล้วนกมาเชียวเอาไปถึงเป้าหมายไหมไม่ถึงหรืออะไรเชียวครับดูกุอานเอาตะฮวีบิฮิรี อ, อัลลอตะฮวีแปลอะไรนะแปลว่าต้ฮวีอะลิฮีแปละะว่า ล, ลมอ่าลมพาไปนะครับ ถ้านกไม่พาอะไรพาครับลมตกจะมาที่สูงเนี่ยถูกลมแน่ๆไอ้คำว่าลมตับซิดอิบนุกะซิดอธิบายว่าเรียกหมายถึงลมหมายถึงไสตอนหมายถึงช้ตอนครับไสตอนมันพาไปพี่น้องพาไปตกที่ไหนฟีมาเก น, นสไหก ย, ยังแดนไกลยังแดนไกลในฐานที่กลคือ พลาดเป้าหมายของชีวิตไปแล้วต้องการอธิบายอย่างนี้พี่น้องการพักดีต่ออัลลอฮ์การล่มก้มลงกราบต่ออัลลอฮ์องค์เดียวคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ทุกคนเป็นความสะอาดเป็นความดีเป็นความสง่างามแต่ถ้าหากผู้ใดไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นการลดตัวเองสู่ความตกต่า และวก็ความหายาณะในชีวิตฉะนั้นใครที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่นับถืออัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่เรียนเรื่องการรู้จักอัลลอฮ์ชีวิตของเขาพลาดหมดเลยครับแต่บนดอนยานี้อัลลอฮ์ให้เขาอยู่แบบสง่างามแต่เขาจะได้รับความทรมานจริงๆตอนไหนครับหลังตายบาดัดลเมาทพอชีวิตออกจากร่างปั๊บเนี่รู้ทันทีเลยว่าการที่เราไม่รู้จักอัลลอฮ์คาทุนยังไงไม่รู้จักอิสลามขาทุนยังไง ไม่รู้จักนาดี ม, มุฮามัดไม่รู้จักคุรานขาดทุนยังไงตอนชีวิตออกจากร่างไปแล้วครับจะได้เรื่องตาอเหตุเรื่องใหญ่ครับนะเอ้าต่อมาพี่น้องอายะที่เท่าไรต่อมาครับอายะที่สามสิบสองจะได้เรื่องชีวิตเรื่องเรื่องหนักนะพี่น้องพยายามออกห่างเรื่องชีวิตให้ไกลที่สุดเลยนะพี่น้องอย่าคิดว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์เลยนะบนโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะ ต่อมากับ ذلك و م ْ ي ع ظ م ش ا ئ ِ ر الله فإنها من تق والقلوب อัลลอฮ์น huh? ี่พูดคำที่สองแล้วนะคำแรกก็พูดรื่องนี้แหละ ذلك و م ْ ي ع ظ م ش ا ئ ِ ر الله فإنها من تقوى القلوب الله أ ك ั ر จ่าลิกะนี่คือเป็นคำสั่งจ่าที่เล่าเรื่องเรื่องอะไรเรื่องคนที่ไม่เอาอัลลอ์ไม่รู้จักอัลลอ์ไม่รู้จักเตาเทไม่รู้จักสิฟาศอัลลอ์ไม่รู้จักว่าอัลลอ์เป็นรบไม่รู้จักว่าอัลลอ์เป็นอีละ อัลลอฮ์มีสิฟัตอยู่9ก้าสุเก้าพนันไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้จักเลยคนที่ไม่รู้จักตัวแบบนี้เนี่ยพี่น้องคระว่าคนนั้นตกลงมาจากชานฝาพอตกลงมาแล้วแทนจะจะถึงพื้นไม่ถึงอะไรเฉียวไปนะนกบางทีก็ไม่ใช่นกลมคำว่าลมหมายถึงสายต่อนกเฉียวไปพลาดทํางชีวิตเลยนะครับไม่ถึงเป้าหมายทีนี้มาดูคนที่สนใจ รู้จัก Allah รู้จักตวัวเทของ Allah รู้จักว่า Allah เป็นรบรู้จักว่า Allah เป็นอิละแล้วก็รู้จักว่าอ l ล a h มีสิท์ก้าวิลป์ก้าวพนามว่าไม่หัวริมผู้ใดที่เคารพหรือให้เกียรติชาอิอรลแปลว่าเครื่องหมายทั้งหมดของ a l อ a h Allah ด้วยนอ้องใครที่ให้เกียรต ใครที่เคารพเครื่องหมายของอัลลอฮ์ครั้งว่าเครื่องหมายของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างพี่น้องขอยกตัวอย่างนะหนึ่งการทำฮะยีทั้งหมดเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์หมดเลยอ่ามีภูเขาอะไรนะซอฟาภูเขามารวาเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์แล้วก็การเชือดสัตว์เป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์ในช่วงฮะยีในช่วงนี้นี่นะสําคัญอยู่ที่เชือดกุรบะ ฉะนั้นคนที่ให้เกียรติกับคําสั่งของอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติคําสั่งอัลลอฮ์ใครที่มีความสามารถจะต้องเชื่อสัตว์ทํากุลบานเพราะว่าคนที่เชื่อสัตว์ทํากุลบานนั้นยุอาซิมคนนี้ให้เกียรติยกย่องเครื่องหมายของอัลลอห์ฮ ادي แน่นอนที่สุดคนที่มีตังบางคนไม่ประชามภัณฑ์นะไปโตเกียวก่อนฮ่องกงก่อนไปอเมริกาก่อนฮ ادي เอาไว้ตอนแก่ นี่แสดงว่าคนนี้ไม่ได้ให้เกียรติคำสั่งอัลลอ์สองมีเงินแต่ไม่ยอมซื้อสัตว์แพะแกะทำกุฎบานคนนี้ยังไม่ได้ให้เกียรติคำสั่งอัลลอฮ์สำคัญนะพี่น้องรวมไปถึงอื่ น, อ, นอื่นอีกอ่ะภรรยาเราเนี่ยไม่แต่งตัวตามหลักการ伊斯兰แล้วไม่ให้เกียรติคำสั่งอัลลอฮ์โอ้โหถ้ายองยองได้หมดเลยเนี่ยยองได้ทุกเรื่องแม้แต่ตัวเราเองเหมือนกันถางวันมากเป็น เป็งหมายของของ Allah ัลลอฮ์ไใช่ถ้าเราไม่ได้นามาสคมให้เวลาเขาก็แย่แค่นั้นต้องรักษาให้หมดนจะนั่นใครที่รักษาได้นะเครื่องหมายของอัลลอ์ข้อกำหนดของอัลลอ์ที่อัลลอ์วางไว้แต่ละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่อ ง, เ, องเป็นยังไงครับฟะอินนะฮะคนที่ทำตัวแบบนี้นี่นะมินตักวัลกูลูแท้จริงมันเป็นการสำรวมตน ตักวาเปวดสำรวมตนอยู่ที่ไหนสำรวมตนเนี่ยกูรูปหัวใจครับแสดงวัจใจของคนนี้อัลลอฮ์สะอาดบริสุทธิ์ใจของคนคนนี้มีความกลัวต่ออัลลอฮ์ใจของคนนี้เป็นคนที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาอัลลอฮ์ชมคนที่เคารพให้เกียรติยกย่องคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแล้วแสดงวัจัยคนนี้โอ้โชั้นหนึ่งเลย พูดึงเรื่องหัวใจนะอลัลลอฮ์พูดถึงหัวใจนะอลัลลอฮ์ไม่ได้มองที่รูปร่างลักษณะนะเนื่องถึงใครเพือเเบวท่านลูกประมาณลูกมาณเนี่ยผิวอะไรผิวดําล้วพี่กุณอ่านสวนลุกมารยังลุกมาร น, นี่ยพี่น้องผิวดําตัวเตี้ยแล้วก็ริมฝีปากหนาสวยตรงไหน ในสายตาคนๆนี่นะหนึ่งผิวดำสองอ้วนด้วยแลว้วก็เตี้ยด้วยแลว้วก็สามผิวริมฟีปากหนาะไม่ได้สวยตรงไหนเลยแต่ Allah เอาชีวิตของลูกมารมาเล่าในการพิมพ์กุรอ่านตอนไหนรู้ไหมเพราะลูกมารเนี่ยสอนลูกดีเหลือเกินสอนลูกลูกเอ้ยอย่าทำชี่วดกต่อ Allah ลูกเอ้ยให้ทำดีต่อ Allah อัลลอฮ์ลูกเออให้ทําดีกับพ่อแม่ลูกเอออยู่ในสังคมเนี่ยอย่าตออย่าอย่าดูถูกสังคมอย่าว่าอาลัลลอฮ์สอนดีมากทาําไมอัลลอฮ์เอาเรื่องของลูกมารมาสอนเพราะลูกมานหัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะตาละหัวใจอย่างเดียวไปน้องถ้าหัวใจสะอาดดินะหัวใจดีเนี่ยอลัลลอฮ์ยกย่อ ง, อ, ง, อ, ง อ, อีกเรื่องหนึ่งนบีมูซากับนบีฮะรู นบีมูซานี่อลัลลอฮ์ถูกเลเื่อกให้เป็นนบีทั้งๆ ท, ท, ที่พูดชัดไหมไม่ชัดส่วนนบีฮารูนี่พูดชั้นหนึ่งเลยนะปะปะปะปะคร่องมากเลยแต่ทำไมอลัลลอ์เลือกนบีมูซาหัวใจครับหัวใจของนบีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์อัตวัลกูลูหัวใจที่อ่อนโยนต่ออัลลอฮ์เชื่ออลัลลอ์ปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์อัลล์ลเลือกนบีมูซาให้เป็นนบีแล้วก็เลือก คารุนนาเป็นผู้ช่วยของนบีมูซ่าเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นหัวใจสาการการหัวใจต้องสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงถึงอัลลอฮ์จะยกย่องให้เกียรติคนคนนี้นะครับ พ, AH พี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องอาจจะเป็นอย่างนี้นะซอาอิลลอฮ์นี่นะหนึ่งการทําวจีสองการเชือดสัตว์สาม คำสั่งในศาสนาของอัลลอฮ์ทุกคำสั่งเรียกว่าชาอาอิลอลอฮ์รวยเมื่อถึาญาด้วยชาอิอิลลอฮมุสลิมอาคุมทิยาปเป็นชาอิอิลลาเดินบนโซฟามาดัวเป็นชาอิอิลลาเพราะหลายคนอาจจะพูดว่าเออมุสลิมไปอะไรนะไปเดินต่อว่าไปตุลลอะมันการหินดำหรือเปล่าการาหรือเปล่าวินดำเปล่าใช่หรือไม่ใช่ใช่อ่าขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสิ่งที่มาจากสวนสวรรค์่ะ อ่ะพอดีมีความรู้นอกนะสิ่งที่มาจากสวนสวรรค์ทั้งหมดที่ผมเช็คได้ค่ะทีขณะ น, นี้มีอยู่เจ็ดรายการอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มาจากสวนสวรรค์แต่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีอยู่เจ็ดรายการรายการที่หนึ่งหินดำมาจากสวรรค์ครับอย่ที่มะกาเนี่ยอธิบายอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งนบีบรอฮิม กับอิสมายก็ล้ำกอ่อกาบ้าอยู่นะกอ่อไปกอ่กอกอ่กอกอ่อก่อพอมาตรงหินดำที่ต้องวางนี่นะที่จะไปกุจุบตรงนั้นนะอ่ะนะอิบรฮิมบอกว่าอิสมัยไปหาหินก้อนดีๆหน่อยได้ไหมเอามาใส่ตรงนี้อิสมายลูชาก็ไปเดินหาเดินเดินเดินเดินไปหาจนากทั่งไม่เจอพอเดินกลับมา เดบิบบรอเมได้หินก้อนก้อนก้อนที่ดีนะ่ะกำลังใส่อยู่ลูกชายถามพ่อเอาหินมาจากไหนอะ่ะแล้วก็ท่านยิบรีบอกว่าท่านยิบรีน ล, ลงมาหาศัลมัจจีนี่มอบหินก้อนนี้ให้ฉันแล้วก็วางอยู่อันทั้งอยู่ดีๆนี่ไงมาจากสวนสวรรค์อันที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งหินดามมาจากสวนสวรรค์เรื่องที่สองพี่น้องซาร์มากริบบรอเฮม ท, ท่านไปต้องประทำบุรอมาใช่ไหมมากอบอิบรอยหีมใช่มทที่ ท, ท, ที่อยู่ในไนนะอยู่ในโดมตัเล็กน่ะนะมีรอยเท้านะนั่นมาจากสวรรค์สองรายการแล้วนะอีกเป็นฮะดิษทั้งหมดนะมากอมรอบอิบรอยหี ม, มาจากสวนสวรรค์อันที่สามอินทรพาลามยี่ห้ออะไรอัจวะมาจากสวรรค์ใครชอบทานนบีอ๋ อ, อ, อ, อ น, นบีชอบของ จะนั่งที่บ้านเราก็น่าจะมีอายุวะนะข้อที่สพี่น้องต้นมะกอกมาจากสวรรค์ท่านพี่น้องที่บ้านเราควจะบอกแม่บ้านนะเธอเธอไปซื้อสาตูนมานะีอยเม็ดมะกอกด้วยอัน้ํามันด้วยมาจากสวรรค์ครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺตัวรองว่าข้อที่หนึ่งหินดํามาจากสวรรค์สองอินทรพาลัมยี่ห้ออะไรนะอายุวะมาจากสวรรค์ มะกรอปิบรอฮีมาจากสวรรค์อันที่สี่ต้นมะกรอกนะมาจากสวรรค์ข้อที่ห้าเป็นสถานที่เอามาไว้บรรดาไม่ได้ระหว่างบ้านนาบีกับมิมบัค ท, ที่ท่านนาบียืนอ่านคูตบ้านน่ะสถานที่ตรงนี้เป็นอุทยานของสวนสวรรค์เราดอเราดอเราดออัลลอฮฺเราดอเป็นอุทยานเ ร, ราดอเป็นบะการ์เด้นสวนเป็นเราดอ เป็นอุทยานสวนส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์เอามาไว้บรรทาได้ไหมไม่ได้แต่อายุวะเอาไวไ้ได้ไหมได้คนมาก่อกเอาไวไ้ได้ไหมได้จนรู้ว่าจะเอ า, าจะเอาเราวดอมอาไว้บรรทาได้ไหมเราต้องไปเดินไปหาเขาเอาต่อมาครับข้อที่ห้าที่มาจากว ส, วสวนสวรรค์ของหอมหันะหันนะ ที่ใส่ผมใส่ลูกใส่เล็บเนี่ยไอ้กลิ่นหอมตรงนั้นน่ะมาจากสวนสวรรค์ห้ามดูลยเลยอะไรฮ้นะหอมหอมอ้าวข้อที่7ข้อสุดท้ายอินนัลหรอว่านามินดวาบิญจนาแพะแพะมาจากสวรรค์ห้ามดูเลยเลยแพะพะๆๆะฉะนั้นนบีชอบทานแพะและชาตตรงไหนรู้ไหมขาหลัง นบีเราที่ชั้นหนึ่งเลยนะโว้อัคบัดเราเนี่ใช้ได้ตรงไหนก็ได้แต่นบีเลือกทานเฉพาะอโศอัคบัดล้ววันอีดพี่น้องนบีเชื่อดเชื่อดอูดเชื่อดทัวพี่นอ้องพอเชื่อแล้วพอ น, นบทนีท่านคำหนึ่งทานมาคนผสมแล้วนบีใส่ปากคำหนึงสดน้ำลอยเพราะเนี่ไอ้เราเนี่กินจนกระาังอัลลอฮฺ ไม่เลิกไม่เลิกอลาวนาย บ, บีอาผมในะอันธอริสเมื่อคืนนี่นะทับใจนาน บ, บีทานเนื้อคำสองคำแล้วสดน้ำพอและวันอีนี่เอาซูน่านายบีไปใช้อันอาพี่น้องเอาเนื้อแพะมาแพะมาจากไหนสวรรค์ต้นอินทันลามอจวามาจากสวรรค์หินดำมาจากสวรรค์อะไรอีกครับ มากอบิ บ, บาฮีมาจากสวรรค์อัลลอเป็นครับอ้าวีสวนหนึ่งนะครับอ้าวอายสุดท้ายเราคุมฟีฮ์มานาฟีอูอิลลอาจัลิมมุซัมมาซุมมะฮิลูฮ์อิลัลบียนตะิลัตนะิก อายะที่สาสิบสองพูดถึงเรื่องชาอาเยดินและนะครับแปลว่าไรนะเครื่องหมายของอัลลอฮ์พูดถึงการทำกุลบานด้วยเป็นชาอาเยดินและนะการทำกุลบานเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์ท่านคนที่มีความสามารถควรที่จะเชื้อสัตว์ทำกุลบานต้องเลือกสัตว์ที่อ่อนอ้วนดีที่สุดอ้วนที่สุดสวยที่สุดแพงที่สุดโอ้ถ้าแพงก็หลายหมื่นนะ ละกุมฟีฮามานาเฟียในสัตว์ในปสัสสตว์ที่เราเชื่อในไปน้องมีมานาเฟียมีคุณนานุประโยชน์มีประโยชน์เยอะมากเลยสัตว์เห็นไหมใครเล่านะครับอัลลอฮ์เล่านะครับิวัในตัวสัตว์นี้มีประโยชน์อุลมะอธิบายครับประโยชน์มีอยู่สี่รายการหนึ่ง อ, าอา้าวยังมีอะไรนั่นะมีอูด มีวัวมีควายพวกนี้ศาสตร์ท้าพวกนี้นะมีประโยชน์ไหมหนึ่งเป็นยานประหนะสองดื่มนมมันได้ด้วยประโยชน์มั้ยประโยชน์ท่นั้นคือน้องเวลาดื่มนมต้องอ่านดุง อ, อ้าอกพิเศษนะเช่นก่อนจะก่อนจะกินก็บิสมิลลาห์พระ อ, อิมแล้วว่างัยนะอัลลอฮุมะบาริกลาหนาฟีวาซิดะหนามินหูนี่นับอีสางนะ กินนมแล้วดื่มนมแล้วให้บ้วนปากบ้วนปากแล้วระอ่านดูวา่าอัลลอฮุมะบาริกละนาฟีอัลล์โปรดประทานบระกัดให้แกเราวาซิดนามินฮุแล้วก็เพิ่มความดีให้กับตัวเราใช่นไหมท่านคนที่ดื่มนมอัลลอฮ์ดีมากแค่นั้นหนึ่งอัลลอฮ์ให้สัตว์ปะสุสัตว์มามีประโยชน์สีรายการหนึ่งขี่เป็นยานประหนะสองดื่มนมสาใช้ขนมัน อัล่ะเห็นไหมแพะแกะนี่ขนทั้งมันอย่างดีอันที่สี่พี่น้องแล้วก็เชื่อเอามาทําปูรบาเป็นอาหารได้ด้วยสี่ประการทรมยุริละละกุมฟีฮามานาฟิะแต่ว่าคุณานุประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเป็นประจุพจนนะละกุมฟีฮาในตัวสัตว์นั้นมีประโยชน์คุณนุประโยชน์หลายรายการ อีลาอาญาลิมโมสัมมาจนถึงคือได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้คือเวลาถูกนำอาญาณมาจงตายสัตว์นี่มันก็มีอาญัณเหมือนกันใช่ไหมอาญา์ตอนไหนนำเอามาเป็นสัตว์เชื่อดทำกุลบาเห็นยังครับอลัลลอฮให้สัตว์มาเนะี่ยเพื่อให้เราเลือกเอามาทำกุลบานนะ แล้วเราก็เหมือนกันอัลลอฮ์ก็เลือกเอาเข้าสวารรค์น่ ะ, ะเลือกแบบไหนอ่ะเอาเราจะเลือกสัตว์เชื่อแต่เลือกแบบไหนต้องอ้วนต้องสวยเขาต้องดีแล้วอัลลอฮ์จะเลือกระไปสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องเลือกคนดีเอาเวลาเป็นคนดียังนีโออเขายังเบี้ยวอยู่เลยหรือนองยังน้ำหมานไม่ครบอยู่ลเลยอัลลอฮ์อัลอ า, า, าก็เราจะเลือกสัตว์ทํากุรบานเราเลือกแบบดีดี และอัลลอฮ์จะเลือกเราเข้าสวรรค์ก็กับแบบเราเลือก น, นั่นแหละคือ <g ül> ทางคิด o, แล้วเราวันนี่เขาดีหรือเปล่าผอมหรืออ้วนนามายครบไหมไมันต้องนึกครับพี่น้องนี่ไงอ่านพูดอ่านได้ข้อคิดเยอะมากครับพี่น้องทุกท่านเอาต่อมาครับซุมมามาฮิน ล, ลูฮะแล้วปลายทางของมัน ที่เชื้อดของมันมาให้บริวารสถานที่นะสถานที่เชื้อสัตว์เนี่ยอยู่ที่ไหนอิลไบติลาติอยู่ที่บ้านโบราณใบแปนว่าบ้านอติแปลว่าโ บ, บราณก็ถึงมากาันนั่นแหละแอนติกแอนติกเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าบ้านโบราณและบ้านโบราณนี่แปลว่าอะไรนะเป็นบ้านที่อิสระไม่มีกษัตริย์องค์ใดในโลกนี้เข้าไปยึดครอง เป็นสถานที่เดียวในโลกครับใคาลงเนื้อไปยธ์เจ็บเยอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอผมก็นั่งนึกอยู่ไอ้เคนต ก, ตกมาเนี่ยมีใครคิดไม่ดีหรือเปล่าถ้าไม่นึกได้นะมันอาจจะถูกผิดบอกรอัลับเรานึกนะ่ะเพราะมีสิทธินึกใช่ไหมล่ะเออเคนตกมาแล้ว บ, บางคนคิดไม่ดีหรือเปล่ากาก้า บ, บ, บ้าเราไม่รู้บอกรำอันอับเราจัดการ شهيد ผมผมมองเป็น ش ه ي ดนะผมมองเป็น شهيد ผมมองเป็น شهيد ครับขอทุกาอาตลออะไเป็น ش ه ي ดนันใช่นะใช่นะกำลังเดินสะอาดิย็นแล้วเดินต่อว่าเดินส่แอเดินอรโล่น้องีขอทุกอาต้ออะให้คนตาย ش ه ดใที่มึงครัเดี๋วน้อง ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อดชดคือถ้าเชื้อดในในสนามรบไม่ต้องปันถ้าชืดแบบนี้ต้องอาบน้ำกจัดกระฝานสอาหมดทุกอย่างอาพี่น้องมันหมดหมดมดเวลาะหมดเวลาสุภานกัลลอฮุมาวะบิัมิลชุลยลาฮิลลาออัตักุกาวตบลไลกัสลามอลัยกุมะะห์มตุลลอฮวบรอก